ตอนที่194ต่างคนต่างมีเส้นทางของตนเวนโม่ไม่ได้ชอบเย็นเย็นเรื่องนี้เขาบอกฉันมากกว่าหนึ่งครั้งแล้วรับหลังเขาต้องปฏิเสธเธอไปแล้วแน่ๆเธอถึงได้เสียใจจนร้องให้แล้วนายจะให้เหวนโม่ทํายังไงหลี่หวันตั้งคําถามถ้าเหวนโม้ยอมรับเย็นเย็นแล้วจะมีนายไปทําไมนายลาออกจากโรงเรียนก่อนกําหนดไม่ไดเรียนหนังสือมาตั้งหลายปีสมองเสื่อมไปแล้วหรือไงนายหาเรื่องใส่ตัวชัดชโน่จนกูไม่กลับสิ่งเดียวที่นายคู่ควรกับหยวนเย็นเย็นในตอนนี้ก็คือตําแหน่งทางทหารของนาย ถ้านายถูกเขตทหารบังคับให้ปดประจำการนายก็จะไม่คู่ควรกับเธอจริงๆแล้วคิดดูให้ดีว่าที่ฉันพูดไปนั่นคืออะไรลิวันดูด่าไปชุดใหญ่เจ้างเศร้าอย่างเริ่มสงบลงบ้างเขาขามวดคิ้วเหวินโม่ปฏิเสธได้แต่ตอนปฏิเสธไม่ควรพูดจะรุนแรงเกินไปเขาไม่สนเลยหรือไงว่าเหวินเหวินจะเสียใจไหมเสียใจแล้วยังไงละ่ะเรื่องของความรู้สึกมันเป็นเรื่องของความสมัครใจทั้งสองฝ่ายเหมือนกับที่เหวินเหวิ น, นปฏิเสธนายนั่นแหละ ลิวันเห็นว่าเขาไม่เครียยกล่อแล้วจึงลดเสียงให้อ่อนลงเซาหยางนายจะเอาแต่ตามจีบเหย็ยนเย็ยนอย่างเดียวไม่ได้ถ้าชอบเธอจริงๆรงนายควรพยายามเพิ่มเสน่ห์ของตัวเองการที่นายวงเวียนอยู่ข้างตัวเธอทั้งวันทั้งคืนแบบนี้มีแต่จะทําให้คนเขารําคาญอะไรกันนอกจากตามจีบผู้หญิงแล้วนายไม่มีงานการอย่างอื่นทําหรือไงแน่นอนว่าเจิ้งเซาหยางมีงานต้องทําเรื่องที่มาเอาเรื่องเหวินโม่ที่โรงพยาบาลวันนี้เป็นพระอารมณ์ชั่ววูบจริ ง, รงๆไหลของเขาลู่ลงทันทีเรื่องวันนี้อย่าบอกที่บ้านนะ ฉันไม่บอกที่บ้านได้แต่จะห้ามปากคนอื่นได้หรอวันนี้ที่โรงพยาบาลมีคนเห็นตั้งแย ะ, แยะหลีวหวานยกมือขึ้นนวดหว่างคิ้วฉันหวังว่าวันหลังก่อนจะทำอะไรน่าจะคิดถึงผลที่ตามมาให้ดีอย่าเอาความสำเร็จที่พยายามสร้างมานานขนาดนี้ไปทิ้งขว้างรู้แล้วเจิงเซาหยางสงบสติอารมณ์ได้สนิทเอาเถอะถ้าไม่มีอะไรแล้วฉันกลับก่อนอีกสองวันฉันต้องไปทาภารกิจระวังตัวด้วย ลิวานยังคงขอโทษเหวนโม่แทนความมุทะลุของเจิ้งเส้าหยางเพื่อเลี่ยงไม่ให้เขาเอาความไม่อย่างนั้นจะยิ่งยุ่งยากกว่าเดิมต่อให้จะขอโทษเขาก็ควรเป็นคนมาขอโทษฉันเองเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับเธอเลยต่หมัดที่เขาชกมันนี่แรงชะมัดฉันรู้สึกเหมือนจมูกเบี้ยไปแล้วเนี่ยตอนนี้เวนโม่ยังรู้สึกเจ็บจมูกอย่างรุนแรงโดยเฉพาะเวลาพูดแล้วมันสะเทือนจมูกโด่งขึ้นนะหลอกขึ้นด้วยหลีหวานพูดด้วยน้ำเสียงกึ่งล้อเล่นสรุปคือฉันต้องขอบคุณเขาใช่ไหมไม่ต้องขอบคุณหรอก หลี่หว่านยิ้มแต่ฉันก็สงสัยนะทำํำไมคุณถึงไม่ชอบเหยียนเยียนเธอก็สวยนะฐานะทางบ้านก็ดีไร้เดียงสาเกินไปเหวินโม่ตอบโดยไม่ลังเลสเปคที่ฉันชอบไม่ใช่แบบนี้อย่างน้อยก็ต้องเหมือนเธอผลการเรียนดีถึงจะดึงดูดฉันได้ใหญ่นั่นทําอะไรก็ดูเด็กน้อยไปหมดดูหน้าคำฉันรู้สึกเหมือนไม่ได้หาเมียแต่เหมือนหาลูกสาวมากกว่าหลี่หว่านไม่ได้พูดอะไรต่อสเปคของแต่ละคนไม่เหมือนกันสเปคที่เหวินโม่ชอบนั้นถูกกาหนดมาแล้วว่าต่างจากตัวตนของเยียนเยียน ได้แต่หวังว่าเรื่องระหว่างพวกเขาจะจบลงด้วยดีอย่าได้มีเรื่องมีราวกันอีกเลยท่านผู้เท่าเจิงตอนนี้กเกษียณตัวเองออกมาอย่างสมบูรณ์แล้วเจิงอวิ๋นชงมีชื่อเสียงด่งดังในเขตทหารเจิงเศร้าหยางก็มีความสามารถตระกูลเจิงของพวกเขาเรียกได้ว่าเป็นทหารมาสามรุ่นเจิงเศร้าซิงมีผลการเรียนธรมธรมดาธรรมดาเขาก็เอาแต่ร้องตะโกนอยู่ในบ้านว่าอยากเข้าหน่วยทหารตามรอยพี่ชายเรื่องอื่นเจิงอวิ๋นชอมตามใจพวกเขาได้แต่มีเพียงเรื่องนี้เรื่องเดียวที่ต้องให้ผู้เท่าทั้งสองในบ้านเป็นคนตัดสินใจ ตอนนี้มีหลานชายเป็นทหารไปคนหนึ่งแล้วจะให้มีอีกคนนั้นเหรอเจ้าชุนฮวาไม่เห็นด้วยในใจในกองทัพมีความเสี่ยงยิ่งไปกว่านั้นหลานชายคนเล็กคนนี้ยังสมัครไปเขตทหารทางตะวันตกไกลสุดกู่อย่างต้าซีเปย์อีกไม่ได้เด็กขาดลูกชายคนโตทิ้งลูกไว้เพียงสองคนนี้หน้าที่หลักของเธอคือการเลี้ยงดูพวกเขาให้เติบโตแต่บางเรื่องก็ต้านทานความมุ่งมั่นของเจิง้งเซาสิ่งไม่ได้เจ้าชุนฮวาเองก็พบว่าพวกเขาถึงวัยที่ไม่สามารถบงการความคิดได้แล้ว คุณเ่ยครับถ้าพ่อกับแม่รู้ว่าผมอยากเป็นทหารพวกท่านต้องดีใจมากแน่ๆอีกอย่างพ่อกับแม่ผมก็เป็นทหารทั้งคู่ผลการเรียนผมก็งั้นๆเข้าหน่วยทหารแล้วมันทําไมล่ะครับผมว่าคุณอเทศจะตายที่รองของแกอย่างน้อยก็ยังอยู่ในเมืองจริงแต่แกกลับสมัครไปต้าซีเปยโดยตรงวันหน้าจะได้เจอกันสักกี่ครั้งเชียวแกคิดว่าย่าจะยอมเหรอเจ้าชุนฮวาเริ่มมีอารมณ์รุนแรงเซอสิงใช้ชีวิตอยู่ภายใต้สายตาปู่กับย่าอย่างสงบสุขไม่ดีเหรอ ผลการเรียนไม่ดีก็หางานอื่นทําได้ไม่จําเป็นต้องเป็นทหารกันหมดอีกอย่างที่นั่นมันอันตรายเกินไปถ้าแกเป็นอะไรขึ้นมาแย่จะไปสู้หน้าพ่อกับแม่แกได้ยังไงให้ย่สบายใจหน่อยได้ไหมคุณแย่ครับพี่ใหญ่กับพี่รองอยังเลือกทางเดินของตัวเองได้เลยทําไมผมจะเลือกบ้างไม่ได้คุณแย่าลําเอียงนี่ครับจะลําเอียงก็ลําเอียงไปเถอะยังไงแย่ก็ทาเพื่อผลดีของแกเองเจ้าเศร้าสิ่งไม่กล้าโกรธคนแก่จริงๆเพราะกลัวจะกระทบต่อสุขภาพแต่เขาก็มีวิธีของตัวเอง นั่นคือการแอบไปคุยกับคุณอาเป็นการส่วนตัวเพื่อแสดงความมุ่งมั่นว่ายังไงก็จะไปเขตทหารต้าซีเป่ยให้ได้เจิ้งอวินชงเห็นว่าเขาโตเป็นผู้ใหญ่แล้วจริงๆเด็กๆไม่ช้าก็เร็วก็ต้องเหมือนลูกนกที่จักรังค่อยๆทยอยออกจากบ้านไปเจิ้งอวินชงได้แต่ทอดถอนใจในอกตกลงแต่ทางคุณย่าของแกกต้องไปเกลี้ยกล่อมท่านเองนะถ้าท่านไม่ยอมอคงให้แกไปไม่ได้คุณอาครับถ้าคุณย่ายอมผมจะมาหาทานทไมละ่ะ ผมดูออกว่าคุณย่าคานหัวชนฝาไม่ยอมให้ผมไปแน่เจิงเซาสิงก็แค่ต้องการสร้างโลกของตัวเองเหมือนอย่างพวกพี่ชายคุณอัครพัฒทางเดินในอนาคตผมเลือดเองไม่ว่าจะเป็นยังไงผมก็ยอมรับและอาไม่รู้หรอว่าตอนนี้คนข้างนอกเขาพูดถึงบ้านเรายังไงพูดว่าอะไรพูดว่าอาจใช้เส้นสายให้พี่รองของแกเหรอหรือพูดว่าตอนนั้นคุณปู่ใช้เส้นสายให้อาเฮคนนอกจะพูดอะไรก็ช่างเธอแกแค่ต้องพิสูจน์ด้วยความสามารถของตัวเองก็พอ เจ้งางวินชงพูดด้วยน้ำเสียงหนักแน่นซ้าสิงถ้าแอาบส่งแกไปแล้ววันหลังคุณย่ารู้เขาท่านต้องโกรธจนล้มป่วยแน่ๆพ่อกับแม่แกก็ไปเสียที่ซีเปิดคุณย่าไม่มีทางยอมรอกเรื่องพ่อกับแม่ตอนนั้นมันเป็นอุบัติเหตุครับผมไม่เชื่อว่าอุบัติเหตุจะเกิดขึ้นกับผมอพวกท่านบนสวรรค์ต้องคุ้มครองผมแน่ๆเจ้างเ้าสิงยังคงร้านจะไปให้ได้เจ้งางวินชงไม่มีทางเลือกทำได้เพียงให้เขาไปลองปรับตัวที่นั่นดูก่อนถ้าเขาปรับตัวไม่ได้ค่อยส่งตัวกลับมา เมื่อเจ้าชุนฮวารู้เรื่องนี้เขาก็โกรธจนล้มป่วยลงจริงๆเรื่องนี้ทําเอาเจิ้งอวินชงใจแทบแย่แม่ของเขาสุขภาพแขงแรงมาตลอดถ้าครั้งนี้ล้มป่วยเพราะความโกรธจริงๆเขาคงไม่มีวันให้อภัยตัวเองลีชิงถิงทําได้เพียงฝากเด็กๆในบ้านให้คนอื่นช่วยดูแลส่วนตัวเธอเองมาเฝ้าดูแลแม่สามีที่โรงพยาบาลโดยเฉพาะอาการของแม่สามีค่อนข้างหนักเธอจึงกังวลว่าผู้ดูแลจะดูแลได้ไม่ละเอียดรอบข้อพอ หลังจากส่งตัวมาโรงพยาบาลได้ไม่นานเจ้าชุนฮวาก็ตกอยู่ในอาการหมดสติ